การทำตามคารตามเวลาเป็นมงคลรดับสูงสุดปฏิบัติธรามก็เป็นมงคล น, นั้นสูงสุดหลายๆอย่างที่เป็นมงคลเกี่ยวกชีวิตของเราหาไม่ยากในกายในใจเราหาที่พึ่งอันเกิดจากกายจากใจเรา พยามที่เราอาพอาับอบชนจะได้มีที่พึ่งเอาไว้มีสติอยู่ที่กายมีสติอยู่ที่จิตใจจะให้กายสา่ถื่นมาใช่สิ่งอื่นมาใช่กายสิ่งอื่นมาใช่ใจอาจถ้ามีสติเวลาอะไรเกิดขึ้นที่กายที่ใจก็ให้มีสติ อาจเอาไว้ไปก็ไว้อย่าประมาทในสิ่งอืน่นให้สิ่งอื่นไม่อยู่ในการในใจจะไ้ไม่จนผูนชน้ชานาชาวไา่ที่มีอาชีพทำารยทำนาก็ต้องขยันทำนาทำไร่เพื่อจะได้ปัดใจมาใช่ในยามทุกข์เขน อาจแทนจะได้มีจินมีใช่ถ้าเห็นแจกฟ้อนสะดวกสบายชีวิตที่ค้านก็จะลำบากมากขึ้นให้ความเกียดข้านพาไปให้เกิดความลำบากความปรมารทางกายทั้งใจให้มีสติปล่อยกายปล่อยใจทิ้ ให้เฉงเกินไม่ใช่ออกหิ้วไปก็จะลำบากไล้เมื่อเกิดทุกข์เกิดโทษไม่มีที่พึ่งอาศัยเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้เช้ก่อนพึ่งกายพึ่งใจเอากายมาทำความดีเอาใจมาทำความดี เิ็ น, นต่เด็กสิเต็นนุ่มโกรหลานท่านว่าอย่ารู้ให้เท่าให้เจอจนหลงพ่อหลงตาไม่ยามเจอเท่าความทุกขความ โ, รโกรธลูกหลงเกิดกับขวายกับชายจนส่วนตัวมม่มนนีใครมาทำให้ก็ต้องรู้จักต้องกันรักษา พึ่งตัเงได้แล้วก็วค่อยๆพึ่งคนอื่นเพื่อเป็นแรงสนับสนุนเดี๋ยวพิ่งเตัองไม่ได้ก่อนพึ่งคนอื่นก็ลำบากเก็บคนเดียวทุกคนเดียวตายคนเดียวไม่มีใครไปเจ็บแทนเราคนอื่นนั้นก็ช่วยเหลือส่วนอื่นส่วน ความทุกขความเรียบเราต้องช่วยตัวเองถ้าไม่ช่วยตัวเองเป็นที่ตั้งอาวัยคนอื่นก็ช่วยได้ไม่มากเป็นไม่มากกว่าจะเป็นมากถ้ามันมีหลักเหตใชล่ชีวิตจริงๆเราจึงต้องฝึกอวไว้ิตกติอวัย เราต้องเจอเต้องตอายอยู่แล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไหร่เราต้องหิวข้าวต้องมีผรานุ่งผ้าห่หมเราต้องกินข้าวมีข้าวที่ไหนามาไหว้กินมีผ้าที่ไหนหมานุ่งห่มมีที่อาศัยอยู่ที่ใดจำฝนตกแดออกฉันไหนก็ดี การให้ประมาญในทุกสถานในการทุกเมื่อในสิ่งทุกสิ่งนี้มันจ่องจำเป็นที่สุดจะเป็นมากๆแต่ลเป็นหนุ่มเป็นน้อยเป็นผู้มีกำลังมังชาก็อยาประมาญอาศัยเมื่อแข็งแรงหนุ่มนี้ สร้างความดีไว้ให้ได้แอมเฉาเท่าเจยผิดได้พึ่งอาศัยก็ยเมื่อแข็งแรงมากไม่ทำความดีเราก็ใช้ทำอย่างอื่นเมื่อเวลาเปิดที่ความยากปัญหาต่างๆ ท, ที่การที่ใจไม่มีความดีก็ทำให้เป็น ไปจนเราภอบจนทุกข์ก็เป็นทุกข์เมื่อโกรธก็เป็นโกรธเมือเเเม่อเจยบก็เป็นเจ็บเมื่อเจอก็เป็นเจ๋อเมื่อตา ย, า ย, าย ก, ออ ก, ก็เป็นตายตายความตายเจ็บเวามเจ็บเพราะมันเคเป็นอย่างนั้นมันเคยหลงก็เป็นหลงทุกก็เป็นทุกข์โกรธก็เป็นโทรถ้าเราไปก ร, วระกรว่าย หลงให้ไม่เป็นรูใช่ไหมให้เราพึกอยู่หลงทางตาทางหูจมูกดิ้นกายใจอายอย่างที่เป็นวัตถุประกระอบให้เกิดความหลงรถจีนเสียงสัมปะทาลงถ้าเราไม่มีสติฝึกตนสอนตนก็รับใช้จ้อนรับ ไม้เกิดความไม่ถูกไม่ถูงกับใจกับใจอย่าถือว่าไม่มีความผิดแม้แต่ความรุ่ความโกรธความโลคความหลงเกิดขึ้นที่กาที่ใจเล็กๆน้อยก็อย่าประมาทเหมือนกับบาปเนมะื่อทีละน้อยก็จะมากขึ้นได้ น้ำไหลลงสู่ตุงทีท่ระโยกด์ก็เติมตุ่มได้มาปที่เกิดขึ้นทีกาที่ใจไม่ถึงจะก้ไขป้องกันพอให้เกิดขึ้นความโกรธโลภหลงที่กาที่ใจความสุขความทุกที่กาที่ใจก็จะมากขึ้นจนนั้นเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจ เงินตรงการใช้เล็กได้น้อยก็พาให้ยากจนได้ถ้าไม่รู้จักใช้จ่ายการใช้ที่ระบอดมา ก, มากอาจจะคิดหนาคิดหลังแต่มีไม่มากแต่การใช้ที่เล็กแต่น้อยเนี่ยไม่ค่อยคิดกานแต่ทาให้คนยากจนจำนวนมากนั้นก็เจ็บเงินที่เล็กแต่น้อย มีเสริงคือวันจบให้รูปบอดอาจจะมีเงินหมื่นเงินพันจากเกิน1 2, บาทสองบาทได้เพื่นกันคิามดีคือสติที่เพิ่มไปในกายในใจง่าย ม, มากก็อาจจะมีโอกาสมาาขึ้นถ้าทำบ่อยๆเั็รู้สึกตัวไปกับการใช้ชีวิตประจำวัน ถ้ายังไม่มีโอกาสเพิ่มเติมไปกับการใช้ชีวิตถ้ามีโอกาสเหมือนพวกเราที่อยู่ในวัดวาอาานเป็นนักบวชก็อยาาไปทำเหมือนเดินให้เอาชีวิตของนักบวดอยู่วัดวาอาานนี่มาเป็นอาชีพสิขาได้ทำเป็นหน้าที่โดยตรง ตนสอนตนมีเวลาตนสอนตัวให้มีใครมาแบงเรื่อว่าแต่ละเกิดที่กายที่ใจตัวเองก็จะได้แก้เฉพาะเนระื่องเกิดที่กายที่ใจเห็นในลายที่มันเกิดขึ้นไม่ดีที่กายที่ใจก็ให้แก้เปลี่ยนให้ลูกแล้วมีกรรมฐานเป็นเจนชีวะ เจ้าของอยู่ที่กายที่ใจอยู่แล้วก็เหมาะเจรกันสะดวกในกา ร, การใช่สิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นมากับกายกับใจที่ไม่ใช่สติใครใครก็รู้สิ่งที่เกิดขึ้นมาไม่มิใช่สติถ้ามีสติจะรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างและหาเปลี่ยนอะไรให้มันเกิด ที่เกิดกับกากระทำให้เป็นความรูปสิกตัวเราได้หาว่าเกิวาอย่างนี้หรือว่าปฏิบปธธรรมเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่นอะไรที่ไม่ดีเป็นรูปเป็นรูปก็จะชำนิชานานความํานานในทางนี้มันก็เป็นผลขึ้นมาเป็นสุนเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมา การทำความดีที่เกิดกับปากกับใจอันเป็นมักเป็นผลเป็นนิพพานจุดหมายปลายทางมันแล้วเป็นถ้าปอดทายใ้ใจแกิดความไม่ดีก็เป็นบาปวิกุศลเป็นอมไมยไ้สู่อกมายเป็นเป็นสุดเจ้าฉันไปสุดโลก สดาสลกายมันมีสมองชีวิตของลูกของนามนี่ของกายของเจนี่ถือคนเป็นๆ เ, เนี่ยไม่เหมือนอ์อันดืนมีอวิชชามีวิชาอาวิชาเหมือนป่าวันดงพอให้หลงทุกเรื่องทุกเราวิชา ที่พาให้ลูกไม่ให้หลงทุกเรื่องทุกราวมันมีอยู่ที่คนมีลูกมีนามมันจึงมีศาสนามีคําสอนของพระเจ้ามีพระเจ้าอุบัติขึ้นมีวิธีปฏิบัติปฏิบัติธรรมะมีการปฏิบัติตามถามหรือว่าได้ผลขึ้นมาหรือว่ามีพระสงฆ์ หลักเจนฑขี้วัดเอาไว้ถ้าไม่มีพู้พุทธเจ้าบออวชขึ้นมาไม่มีธรรมะไม่มีพระสงฆ์ไม่มีพระตรตนัยมังก็จะปะเทือนเขาอยู่กันลำบากจึงมีวิธีปฏิบัติต่อกาต่อใจเรี่ว่าธรรมะวินยัยและเบียบวินยัย เพื่อจะได้เกิดความอยู่ร่วมกันอย่างุกสนุกมีวิญญาณมีจิตวิญญาณถ้าไม่เปิดอันก็จะเกิดทุกข์เกิดโทษต่อกันและกันกับ ต, ตัวเองด้วยคนอื่นด้วยอันมีจิตวิญญาณสมโกรธกับขั้นที่จิตใจ แล้วก็มีคนก่อโทษตทอสิ่งอื่นวัตถุอื่นให้เหมือนสัสตว์ติลชานเป็นทุกเป็นโทษคนชั่วเกิดขึ้นคนหนึ่งในคนน้อยคนฟันคนคนล้อยคนพันค น, คนก็ลำบากเสื่อมนจึงมีศาสนาคึ้มีวิธีปฏิบัติตอกายต่อใจ มีสติเป็นสภาวะที่รู้กาใจนี่ศึกษาตามสภาวะที่รู้ศึกษาตามท่านผู้รู้จริงที่รู้คือสติคนอืนสอนก็ไม่ไม่ถึงการถึงใจจริงๆพียงแต่เป็นสัญญาจำได้เฉย เป็นความรู้ที่เป็นความรู้เป็นสัญญาไม่ใช่รู้แบบรู้แก้งรู้จริงคนอื่นสอนเพียงรู้จำไม่ใช่มาค่อยได้ใครก็รู้ว่าความทุกข์ไม่ดีความโกรธไม่ดีแต่ยังโกรธยังทุกข์อยู่ไม่ถึงคำจรงจริงความรู้ที่คนอื่นสอน สความรู้ที่เกิดจากตัวเราเองนี่คือความรู้จึกลึกได้นี่เราต้องสอนตัวเราไม่มีใครสอนตัวเราได้ในเรื่องความรู้จึกตัวนี่เราหลงเองเราก็ต้องรู้เองแล้วโกรธเองก็ต้องรู้เองเราทุกข์เองก็ต้องรู้เองตัวใครตัวมัน เสงตจงจอเป็นมากและเรื่องนี้ปล่อยทิ้งไม่ได้ปล่อยทิ้งความชั่วความผิดอวิชชาให้เกิดขึ้นที่การทีใจก็จะเป็นอันตรายต่อตัวเองและคนอื่นไม่ได้ประโยชน์จากการจากใจเลยกายใจ ถ้าเรามาศึกษาเห็นเป็นกายเป็นใจเอามาเปตัวเป็นตนถ้าเรามีจิตใจเห็นเป็นลูกเป็นนามควอมเห็นมันต่างกันไม่หวานหยุดกายเพิ่มใจเรามีกายมีใจมีกายมีใจมันเป็นตัวเป็นตนได้ง่ายแ่อวก็คือตัว ตัวเราล่อนหนาวคือตัวเราหนาวทุกคือตัวเราทเกี่ยวคือตัวเราหิวตัวแกะจะตายคือตัวเราดูไม่รู้จากแยกจนง่ายจนง่ายไม่มีทางออกถ้าเรามีสติศึกษาดูโดยลูกแกพุ่งกรรมาฐานดูก่อยเคลื่อนไหวเห็นใจชิดเด็ก มันจะต่างกันนะดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดก็เห็นเป็นลูกเป็นนามได้สอนกายได้สอนใจเมื่อเห็นเป็นลูกเป็นนามมันก็เติร์กแขนไปไกลมีทางสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูกปกับนามมันเป็นอาการมาช่ตัวช่วยตน เป็นอาการไม่ใช่ตัวใช่ตนเห็นตามความเท็ความจริงสามารถเลือกได้ความหลงไม่ถูกต้องจริงๆรถ้ามีความรู้เป็นเจนที่วัดอาไว้ก็ไม่ได้ปล่อยความหลงทิ้งไว้ที่กายที่ใจรู้จักแก่ปล่อยทิ้งไม่เป็น จำเป็นมากๆเวลาหลงจําเป็นต้องรู้แล้ก็เกิดปัิจัติวชธรรมขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาเถอะกายเถอใจพอรู้จักที่แรกก็จัดให้รู้เวลามันไม่รู้มันทุกข์มันไม่ทุกข์มันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจาความทุกข์เวลามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงคนเจาความหลง มันก็ชินมันก็ชำนาญทางขึ้นมาการชำนาญทางนี่มันก็ล่วงพ้นภาวะเก่าได้เรียกว่าวิปัสนาเห็นขลังเทศเขวมจริณที่เกิดกับกายกับใจรู้จั ก, จกเลือกไม่ต้องมีใครมาบอกเป็นปัจจัดตังของผู้ปฏิบัติ อย่าปล่อยถ้าเราไม่รู้ในปล่อยให้อะไรเกิดขึ้นที่กายใจเป็นกายเถื่อนใจเถื่อนมากมาแล้จะอะไรจะหอบหวิวปอเมื่อเราได้ศึกษาเห็นทิศเห็นทางก็มีความกระตือดือล้นที่มาช่วยดูแลก า, ายใจกายใจก็มีความเป็นธรรมเกิดขึ้น กาเมื่อใจจะรับความเป็นธรรมความเป็นธรรมที่เกิดกับนมาของใจมันเป็นมากเป็นผลที่ว่าท ร, รมาวินยัยท ร, รมาวินัยนี้เหมือนเป็นมากเป็นผลมันเกิดขึ้นดีกาที่ใจของคนมันไม่ใช่เกิดจากตัวหนังสือมันก็เป็นที่เป็นทางไม่จนง่าย เห็ลูกเห็นน้ำเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูกขุมนามเห็นลูกทําเห็นน้ำทำมันทําดีมันทําชั่วในลูกนี่น้ำนี่มันทําชั่วเป็นน้ำนี่มันทําดีเป็นลูกม่ก็ทําดีเป็ น, นทําชั่วเป็นทําดีดดดก็มีคนมีประโยชน์ทําชั่วก็ ม, มีทุกมีทูต เห็นอย่างนี้แจ้งชัดเจนก็แจ้ไขได้เปลี่ยนได้ลูกบันทุกนาำบันทุกไม่เห็นความทุกข์นี่เคยป่วยให้ลูกให้นามทิ้งไปไม่รู้กจกช่วยเหลือปล่อยทิ้งโยงไปกับอะไรต่างๆ พอมาเห็นรูกมันทุกน้ำทุกหล่อนกตือเดินโน้นช่วยรูกช่วยน้ำเห็นลูกโลกน้ำโลกทุกคู่ทุ ก, ก, ทกน้ำทุกไม่พอเห็นโลกที่เกิดกับรูกของนามโลกเจ็บแค่ไหนป่วยโลกที่เกิดขึ้นกับรูปกของน้ำเป็นอาการเป็นอารมณ์ เป็นความโกรธความโลกความหลงความไม่ถูกกังวลเศร้าหมองควบเครียดช้านจึงจังโลกที่เกคยเติมนำโลก2อย่างโลกอันหนึ่งอาศัยหม้อโลกกันหนึ่งที่ต้องอาศัยหม้อเวลาต้องอาศัยตัวเองทั้งโรความโลภความหลงความอร์ต่างที่เหมือนเคย ไม่เป็นธรรมเกิดกับกายเกิดความขุ่วก็โกรธไปเลยเกิดความทุกข์ทุกข์ไปเลยนี่แหละโลกรูปโลกนามโลกใชาชีวิตไม่เป็นใช่กายไม่เป็นใช่ใจไม่เป็นก็เปิดเบื้อนในโลกชนิดนี้ว่าความินเล่าสุรีที่เหลืตั้งหะหละค่ะอิปนิสัยไปต่าง จะหลีนิดใสหลายท้าจะหลีดโตจะหลีดโมหะจะหลเกิดขึ้นกับลูกก้นน้ำหรือว่าลูกโลกน้ำโลกอืมเกิดลูกโลกน้ำโลกขึ้นมาก็เป็นสมมุติบัญญัติตัวว่าตนทำตามมันโกดก็ดูว่าตัวเองโกดถ้าคูณได้โกดตายไม่ลืมเอาโลกแค่นี้เอาสิ่งที่เป็น ทุกเป็นโทษมารับรับใช้จริงเราได้ถ้ากูได้โกรธก็ต้องด่ามันตรองฆ่ามานันทำลายมันก็ต้องทอดทิ้งมนันตามตามความโกรธนอ้องพ่อแม่ลูกเจ้าถ้าทำตามความโกรธก็ทะเลาว่ากันเฉีนฆ่ากันได้ ถ้าตามามความรักแี่มเป็นลูกเท่นี้หนึ่งก็เสียผู้เสียคนจึงมองเห็นอันตรายเกิดกับลู ก, ก่นาน้ํานี่เป็นลูกทุกน้ําทุกลู ก, ลกโลกน้ําโลกลูกสมมุติน้ําสมมุติเหม็นหยาดขึ้นมานําตา ม, มันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเจียรจน้ําตาล้วงตาไหลไม่เครช่วยกายช่วยใจน้ําตาซึมเลยนะ เห็ี่ยนแปลงเกิดเป็ตนตรกดังสงสารอะไรต่างๆเห็นบุญคุณคุณพอ่อคุณแม่เห็นบุญคุณของแผ่นดินเห็นบุญคุณพลอยเกิดลัแผ่นดินนื่มากแผ่นดินแม่น้ำอากาศเราเอาใ ช, ช้จีโนนี้เมื่อเคยช่วยจีโนนี้เลยต่เมื่อทำลายป่า ควมความชั่วไม่รู้จักตัวความความดีมีไม่มากเข้ากับวงชั่วใช้กาเใช้ใจตามความดีก็เป็นบาปพิีเพยเฉยไม่ถึงจิตถึงใจไม่ละละที่กิตที่ใจมาไปทําบุญกับไปทำํำบาปไปสร้างว่าสร้างว่าก็ทำควงเที่ยงความชั่งก็ทำแต่าคปกสาย แต่เป็นการกระทำตามประเนไม่ถึงใจใจไม่ในหมาก่อนเอาพิธีไปก่อนเป็นาศาสนาพิธีส่วนมากไม่ถึงาศาสนาธรร ม, ธรมที่เป็นธรรมที่เป็นกุศลมาถึงใจมันก็จะมีการเป็นความอาศัยก็อาศัยบุญอาศัยพระที่ว่าอาศัยบาก็จะได้บุญสร้างคติสร้าง บสถิหารก็จะได้บุญจะบุญจากคนอื่นมาเห็นลูกทุกนามทุกเห็นลูกสมมูติ์แบบสมบสูรณ์เห็นโลกโลก้ําโลกจะช่วยเหลือลูกแค่ช่วยเหลือนามภาวะที่ลูที่เห็นเช่นนี้จะเป็นบุญจริงๆไดาเป็นจิตใจเข้าใจมันดีกว่าเก่าใจมันดีกว่าเก่ามันฉลาดกว่าเก่า ฉลาดในความไม่ดีออกจากความไม่ดีเป็นเป็นความฉลาดที่นําหน้ า, านใช้ชีวิตทำก็พาไปแบบนี้ปฏิบัติทํามมันพาไปความถูกต้องพาไปไกลจากความชั่วไปเรื่อยๆไกลจากค่าเจ็อไปเรื่อยเปลี่ยนได้เป็นดีไปเรื่อยๆลูกสมพูนสมสมพู เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นความเป็นทุกข์เกิดขึ้นที่รูปที่น้ําคุ้มหัวมันอยู่รูปนานี่คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ควาไม่ใช่ตัวตนยิ่งใหญ่ในโลกคือโลกที่อยู่กับรูปนามนี่ยิ่งใหญ่มากความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ควาไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งที่โคบงํารูปดํำมาทั้งหมดในโลกทั้งหมด ดินแผ่นผ้าอากาศในตัวนอกตัวเราด้วยมีกวามปเที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความไม่ใช่ตัวตนเป็นสามันลักษณะเส ม, มอกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเมือ่อใดถูกความาเที่ยงมาถึงตัวก็เป็นทุกข์เมือ่อใดเกิดความทุกข์มาถึงรูปสนามก็เป็นทุกข์เมื่อกว่าไกลรูปเป็นเช่นนั้น ทุกขกับบรทุกออมาเห็นความเท็ขคงจริงมันเห็นแจ้งคงไม่เที่ยงจะให้มันเที่ยงได้อย่างไรก็เป็นวิชาเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อคงไม่เที่ยงเกิดขึ้นจะให้มันเที่ยงได้อย่างไรไมีปัญญาเกิดขึ้นตรงนี้แต่รู้ทะลวงได้ มันครอบคุมเราเราก็ครบคุมมันได้ตัวหนึ่งรู้เรื่องนี้มันก็เหมือนกับรู้ทุกอย่างหลุดไปเลยบางอย่างเมื่อเหมือนทุกอย่างเป็นฉุกได้อย่างงไงเพราะความทุกข์กับบรรทุเป็นทุกข์มันจะไม่เป็นฉุกเด็ดขาดจกให้ทุกข์เป็นทุกข์อย่างไรมันเป็นหน้าที่ของทุกข์มันก็ทุกข์อย่างนั้นเราไม่เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เราไม่เป็นทุกข์เพาะไม่เที่ยง ตัวนี้มันโตกวาได้หรือว่าพ้นโลกกว่าได้นะตัวนี้มันพ้นโลกมืนกับเพียงพอเมื่อมันผ่านพ้นอะไรตาหลุดพ้นไปหมดหมายหลายอย่างที่เห็นความเท็ความจริงไม่เกิดขึ้นกับลูกอุณหนามนี่มันก็บอกเราสอนเราบอกเปิดบอกถูกอกอบเท็จควจริงอย่างไร ก็มีความหวัญญาหชฉลาดแตกฉานในการความผิดความถูกที่เกิดขึ้นกับลูกคุณดามไม่ใช่ไปเียนคนอื่นสิ่งอื่นเห็นตัวเองชัดเจนแม่นยำรื้ออะไรูกอะไรพื่ออย่างไดไม่ง่เปลี่ยนแปลงไปทางน้านสุดจายเห็นวัตถุประมวลอาคาร ความจริงต้องเปความจริงอยู่เสมอคไม่จริงต้องเป็นความไม่จริงเสมอไปความปวดไม่จริงความไม่ปวดไม่จริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์เหนจริงเมื่อความไม่จริงอยู่ที่ใดความจริงเกิดขึ้นที่นั่นรมเจ็บเกิดที่ความไม่เจ็บเกิดขึ้นที่นั่นควอมเจ็บเกิดที่ใความไม่เจ็บเกิดขึ้นที่นั่นความตายเกิดที่ใดความไม่ตายเกิดขึ้นที่นั่น แล้ก็โดดได้แล้วก็พาไปทำผ่ า, าไปทีแรกก็บุกปืนสักหน่อยเปลี่ยนควงหลงเปความรู้ก็ยากมันก็หลงมากที่สุดเล่นจมกองก็หลงมากที่สดสร้างจะบอกก็หลงมากที่สุดแต่พอถึงโอกาสมันก็ไม่มีมีแต่มาช่วยเราสินมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วย ตรงไหนที่ไม่หวาด ก, ก็มีบุญมาช่วยตรงไหนชียงงูก็มีความฉลาดมาช่วยช่วยการช่วยจายความเทิความเชงิงปรมาศึจษาสมมุติปัญญาวัตถุอาการต่างๆในโลกในตัวเราก็เป็นวัต ถ, ถุอาการต่างๆในโลกก็มีวัตถุวัตถุอาการต่างๆในโลกเต็มไปโลกสมมุติเต็มไปหมดแล้ว ที่เขียนนั้เราก็เป็นสมมุติสมมุติบรญยตไม่ใช่ตัวบัณฑิจหนวงพ่อเขาเขียนก็เป็นสมมุติอาผู้ให้ถูกตองก็เป็นลูกเป็นนามอาช่าัชปน้าแทนหลวก็บอกว่าลูกนามรูปน้าขอลาไปโน่นไปนี้ไม่ใช่่าหนวงพ่อขอลาเนีเป็นสมมุติใช่กัน ภาษาพิมัติไม่มีสมมุติน่ามีคําพูดที่เป็นพูดถูกเข่นความโกรธพูดไม่ถูกกลอมทุกข์ก็พูดไม่ถูกภาษาริมัติคนที่โกรธเองก็ต้องรู้เองคงไม่โกรธก็ต้องรู้เองเปิดมาจะเจาะไม่มีภาษาพูดนั่นเป็นงานสาบัติของผู้ปฏิบัติธรรมจิตใจกันก็เปลี่ยนแปลงไป ทำผพาไปเหมือนถ้าที่ฉกปกถูกซักพ่อก็จะอ่านข้มสารหมดโจดจากเครื่องสมองอ่านก้อมสารหมดโจดจากเครื่องสมองเกิดเฤติการที่ใหญ่นี่มันกลายีย็ว่าเป็นผมจันบริฉุธดบริโภคชื่งเชิงโดยจากปฏิบัติกับตัวเองหัวเป็นเช่นนี้ ให้คิดถึงคนอื่นหมืนเพื่อคนอื่นโดยตรงงูของใครหอกของเราหอกของของื่เหมือนกันหมดเกิดเจ็บเจืตายถ้าเขาไม่รู้เรื่อง น, นี้เขาจะเป็นอย่างไรเวลาเขาเจ็บก็เป็นลูกเขต้องทุกข์แน่นอนเวลาเขาจะตายเขาไม่รู้ก็ต้องทุกข์แน่นอนเพียงแต่ความหลงก็ทุกข์แล้วเพียงแต่ความขู่ก็ทุกข์แล้ว ก็คือเรือ่องทช่วยที่จะบวกสอนคนอื่นําดับลำลำตั้งแต่ต้นเบื้องต้นทำกางที่สุดต้องต้นก็คือจิตติทำกลางจิตติที่สุดคือสติจะ ท, ทําถ้าหลงกันไหนมันก็ไม่หลงเหมือนคนชานาญทางบางทีเหมือนกับเราขับรถขี่รถจักรยานก็ตังเดียวที่ไหนจะหันไม่ไหวมันก็จะ ตั้งใจจะเลี้ยวมันก็เลี้ยวไว้เป็นพอหันไปแล้วมันพาไปเองทําพาไปเองมันทําได้อย่างนี้มันปฏิบัติได้อย่างนี้ทุกคนก็ทําได้อย่างนี้ก็เลยต้องพูดต้องสอนกันมันเวลามันหลงไม่หลงก็ได้เวลามันทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้เปลี่ยนหน้าอยู่เปลี่ยนหน้าอยู่ พอจะนั่งเราจึงถ้าเราทําส่วนตัวเราหนี่นก็เป็นส่วนรวมจะไม่ทําให้ใเดือดร้อนจะทําให้ใลำบากแม้จะอะไรต่างๆในโลกนี้จะไม่ทําให้ลําบากเดือดร้อนาเราจึงจะเป็นน้องปฏิบัติถ้าไม่จําเป็นอะไรก็อย่าห่วงหน้าห่วงหลังให้ปฏิบัติธรรม ด่วยกันไป่อาอดีก็น้ำเพิ่งเหลือเสือเพิ่งปอดให้หัดตัวเองที่มีครูอาจารย์หาตัวเองให้มีครูอาจารย์จัหน่อยมีจริงๆครวอาจารย์พระเจ้าเป็นบรมครูเรียนแบบไม่บันพหลุดมีบุรุของอาจารย์นี่เกิดขึ้นในโลกนี้ เห็นมาผ่าเพลินเมื่วาเ่เออวหลาวหลางหหลงผ่ า, งาเพลินโอผ่าแบบีะ ม, มทำข้าวไหหลางทำแต่ข้าวผ่าเพลินโอ้นี่ผู้ผาเพลนผู้ทำข้าวได้เป็นสังฆาษาสโลทำเลัก็ทำไปสติได้ทุกผ่าเพลินก็มีสติทำข้าวก็มีสติหงข้าวห ง, งผาก็ามีสติ ทำดีที่ป่าพื้น้วเป็นประโยชน์ต่อคนดีสำงพ่อไม่ได้ผ่าก็เป็นคุณต่อของพ่อด้วยจะได้เป็นนึ่งไปหุงหูข้าวลวกผักต้มแกงต้มข้าวได้มาจากผ่าพื้นมีพื้นมีพลังงานใช้ในยิงข้าวส้มแต่ก็ต้มที่ต้มข้าวดีที่สุดรุ่นหมู ต้มข้าวในเช้าพิจุตรเลยถ้าจะไปไหนก็หสอนคนเดินให้นต้มข้าวด้วย <c ười> ให้ตบม อ, อย่างนี้ให้ต้ม อ, อย่างนี้ทำไมจําเป็นก็แบกให้ไปไหนทุกคนอยู่ด้วยกันนี่น่าไปจําเป็นหนักหนาสาห์โธด์เราก็อยากให้อยู่ในเพศตรงน้ำปวดอย่างนี้อาชิญหนุ่มเพื่อสร้างความดีเงี้ยขี้หนุ่มๆก็ให้ อาสัยความนุ่มเพื่อสร้างถานะทางจิตวิญญาณของเราให้พึ่งพาอาศัยกันเราอยู่ด้วยกันนี่ก็ยังมีคนหวังเพื่อเราอยู่คุณตุกขุนใจบางที่พึ่งพาอาศายเห็นเพื่อนพาเพื่อนเออเราก็พึ่งได้เห็นคนหุงข้าวเออเราก็พึ่งได้ ยังมีคนที่หวังพึ่งพาใจล้วอยู่ท่าดแม้แต่ศาสนาหล้าเชิงป่าไม้อากาศก็ยังพึ่งเราอยู่มันไม่คัดแยบเป็นทับขวนหรือก่วงใหญ่ไพศาลถ้าจะประยู่กับลูกกับหลานก็ได้มันัดแยบจะเพราะผลเท่า น, นี้มันใจมันก่วงขวางก่วงขวา ง, วงถ้าเป็นเมตตากบเป็นอภัมจ ญ, ญา ไม่มีขอบเขตถ้ามีความสงสรารก็มีขอบเขตมีมุทิตาวิเวขาก็มีขอบเขตไม่มีคนศัตรูขู่ลี้อบเวขาทำมดเมตตาได้ทั้งหมดสอง ห, หล่อชิงอะไต่างๆเรื่องในเริดที่ใจของคนหนึ่งปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีวิธีอืน่นหอก มีแต่สติไปในกายตามพุยเจ้าสอนนี่ละอย่าปไปคิดอย่างอื่นแต่บางคนก็ลุ้งไปไปเป็นนั่นนี่ไปปุ้งแตรงไปเกิดเรื่องต่างๆมีสตินั่นแหละดีที่สุด